พระพุทธเจ้าทรงเทศนาไว้ว่าทรงพากันทาตัวให้เหมือนกับนักรบเมืองโบราณสมัยก่อนต้องทากำแพงล่อเมืองให้แน่นามีค่ายคูประตูหอลบเสร็จจับเพื่อป้องกันไม่ให้ อรีราชศัตรูมาราวีนักลบที่ฉลาดเมื่อลบกับข้าศึกเห็นว่าจะสู้ข้าศึกไม่ได้แล้วก็ล่าทัพกลับสู่พระนครแล้วจึงรักษาพระนครไว้ไม่ให้ข้าศึกเข้าย่ายีอันตรายได้พร้อมกันนั้น ก็สะสมรีพลอาวุธแนะทหารพร้อมเพียงซึ่งหมายถึงให้ทำสมาธิให้มั่นคนกล้าหารแล้วจึงออกลบค่าศึกอีกต่อไปคือมวลกิเลสทั้งปวงสมาธิเป็นกำลังสำคัญมากถ้าไม่มีสมาธิแล้ว วิปัสนาจะเอากำลังมาจากไหนถึงผู้ได้สุ ข, ขาอยปสศกขอเถิดถ้าหากไม่มีสมถะแล้วจะเอาวิปัสนามาจากไหนเป็นแต่สมถะของท่านไว้คล่องแค่วเท่านั้นอย่างนี้จะพอฟังได้ผู้ปฏิบัติทั้งหลาย เมื่อได้ทำสมาธิให้มั่นคงแน่วแน่แล้วจะกะจนกระทั่งจะเข้าจะออกก็ได้จะอยู่ให้นานานก็หรือพิจารณากายานิให้เป็นอสุภะหรือเป็นาธาตุก็ได้พิจารณาคนในโลกนี้ทั้งหมดให้เห็นเป็นพระองค์กระดูกทั้งหมดก็ได้ หรือพิจารณาให้เห็นในโลกนี้ทั้งหมดว่างเป็นอชตกาศว่างเปล่าไปหมดก็ได้จิตพูดมีสมาธิเต็มที่ไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนย่อมเป็นสมาธิอยู่ตลอดเวลาแล้วจะมองเห็น กิเลของตนซึ่งเกิดจากจิตของคนให้ชัดเจนว่ากิเลคือความโลภความโกรธความหลงมันเกิดจากสิ่งนี้สิ่งนี้และมันตั้งอยู่ได้ด้วยอาการอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็ หาอุบายละด้วยอาการอย่างนี้อย่างนี้เหมือนกับน้ำในสระที่คุณมาเป็นร้อยร้อยปีพิ่งมาใสาสะอาดมองเห็นสิ่งสารพัดที่ไม่อยู่ในก้นสระว่าแต่ก่อนแต่ไรเราไม่นึกไม่คิดเลยว่า ในก้นสะนี้มันจะมีจริงของเหล่านี้นั่นเรียกว่าวิปัสสนาคือความรู้ความเห็นตามสภาพมันเป็นจริงอย่างไรก็เห็นตามความเป็นจริงอย่างนั้นไม่วิปริตพิษแปลกจากความเป็นจริงของมันสมุท ก็ละคิเรสได้เหมือนกันแต่ละได้เหมือนคนถ า, ากหญ้าตัดแต่ต้นให้ขาดไม่ขุดเอาลากเอาให้มันหมดย่อมมีเวลางอกขึ้นมาได้อีกเหมือนเมื่อฝนตกลงมาคืยเห็นโทษ ในอารมณ์ที่มันเกิดจากอายตนะทั้งหกเหมือนกันแต่เมื่อเห็นโทษก็รีบเข้าหาความสงบโดยไม่พิจารณาอารมณ์นั้นๆให้ทีท่วนคือสมาธิสรุปความแล้วเรียกว่าชอบ แต่ความสงบอย่างเดียวไม่อยากพิจารณาให้เนินช้าเหมือนกับตัวแย่ใส่รูเป็นเครื่องป้องกันตัวฉะนั้นเมื่อเห็นสัตรูมาก็วิ่งเข้ารูเสียพ้นภัยอันตรายไปในระยะหนึ่งระยะหนึ่งเท่านั้นผู้ต้องการขุดลากเงา ของกิเลสในตัวเมื่อกิเลสมันเกิดจากอาชนะทั้งหกในตัวของตนเช่นตาเห็นรูปหูได้ฟังเสียงเป็นต้นเกิดสัมผัสขึ้นให้ยินดีหรือยินได้ดีใจและเสียใจเป็นต้นแล้วเข้าไปยึด เอามาเป็นอารมณ์ของตนให้มุนมัวอยู่ในใจจนเป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนดินน้นรนกินไม่ได้นอนไม่หลับจนกระทั่งทำอัจฉนิบาตฆ่าต้นตายก็มีเมื่อเห็นชัดอย่างนี้แล้วพึงทำสมาธิ ให้มั่นคงเป็นหลักเสียก่อนแล้วจึงตั้งจิตพิจารณาเฉพาะในอารมณ์นั้นแต่จริงเดียวเช่นตาเห็นรูปที่เป็นอนิจธาลมแล้วเกิดความยินดีพอใจขึ้นก็ให้พิจารณาเฉพาะแต่ความยินดีพอใจนั้น มันเกิดจากความมันเกิดจากตาหรือเกิดจากรูปกันแน่เมื่อพิจารณาถึงรูปก็เป็นแต่ว่ารูปมันเป็นแต่รูปวัฏฏธรรมหากมันจะดีและจะเลวมันก็ไม่ได้มาชักชวนให้เราไปยินดีหรือยินได้หรือให้เรา ไปหลงรักหรือหลงชังมันเป็นแต่รูปเฉยๆเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปมันดับไปตามสภาพของมันต่างหาดเมื่อพิจารณาดูผู้ไปเห็นรูปเราตาผู้ฉายแสงไปเห็นรูป พะกระทบเท่านั้นแหละแสงสะท้อนกลับเข้ามาอาชัากสุปราศาสตร์เข้าก็เป็นรูปต่างๆนานาเกิดขึ้นตาก็ไม่ได้ชักชวนให้เราไปยินดียินได้หรือให้เรารักหรือเราชังอะไรตามีหน้าที่ให้เห็นเห็นแล้วก็ดับ ไปสิ่งที่เป็นอิทธารมในอนิธารมหรืออายตนะอื่นๆก็ให้พิจารณาอย่างเดียวคร น, นี้เมื่อเราพิจารณาอย่างนี้แล้วก็จะเห็นสักว่าเห็นชัดว่าสิ่งทั้งปวงหมดในโลกนี้มันจะเกิด กิเลสขึ้นก็เพราะอายตนะทั้งหกนี้เป็นต้นเหตุท้งนั้นถ้าเราพิจารณาและไม่หลงตาวนจะนะทั้งหกนี้ก็กิเลสจะไม่เกิดขึ้นในตัวของเราตรงกันข้ามมันจะเกิดปัญญาก็เพราะ มีอายตนะทั้งหกนี้อายตนะทั้งหกนี้จังเป็นสื่อกลางของความดีและความชั่วจะไปสุขติและสุขติก็เพราะอายตนะทั้งหกนี้เป็นต้นเหตุโลกนี้จะกลวงเพราะจิตไม่มีสมาธิลอยตาม อ, อารมณ์องอายตนทั้งหกนั้ น, น, น ตรงนี้จะแคบก็เพราะจิตนี้ได้ฝึกหัดสมาธิให้อยู่ในบังคับของตนพิจนาอารมณ์ของอจจาจตนะทั้งหกแต่ภายในคือเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วอจจาจตนะเป็นต้นว่าตาเห็นรูปหูฟังเสียง เหล่านี้จะไม่ปรากฏเลยจะปรากฏแต่รูปที่เป็นนามธรรมเสียงที่เป็นนามธรรมปรากฏเกิดขึ้นในสมาธินั่นโดยเฉพาะอาาณภายนอกจะไม่รู้เลยเมื่อทำสมาธิให้แน่แน่เต็มที่แล้ว พิจาาเห็นโลกจิต ท, ที่มันเป็นเหตุทำให้เกิดอยตนาภัสสะสัญญาและอารมณ์แต่และตลอดสัพพะกิเลธทั้งปวงแล้วแล้วจิตก็จะถอนจากสิ่งทั้งหมดจน ย, ยังเหลือแต่ใจ คือผู้รู้อย่างเดียวจิตกับใจย่อมมีลักษณะอาการต่างกันจิตคือผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งและสัญญาอารมณ์ต่างๆตลอดถึงไปยึดเอาสิ่งต่างๆมาไว้ที่ใจจิตเมื่อเห็นโทษทุกข์ทั้งปวง ที่ยึดออกมาที่ยึดเอากิเลสทั้งปวงมาไว้ที่จิตของตนแล้วยอมยอมละถอนจากอารมณ์และกิเลสทั้งปวงจากจิตจิตนั่นก็จะเป็นใจจิตกับใจมีลักษณะอาการต่างกันอย่างนี้ จิตผู้คิดผู้ปรุงผู้แต่งสารพัดทั้งปวงใจคือผู้เป็นกลางคู่เป็นกลางๆว่างเฉยไม่คิดไม่นึกอะไรทั้งสิน้นเป็นแต่รู้ตัวอยู่ว่าวางเฉยใจเป็นธรรมชาติเป็นของกลางแท้กลางไม่มีอดีตอนาคต ไม่มีบุญหรือมีบาปไม่ดีไม่ชั่วนั่นเรียกว่าใจชาวบ้านเขาพูดกันว่าใจคือสิ่งที่เป็นกลางเขาเรียกว่าใจเช่นใจมือก็หมายความเอาตรงใจตรงกลางมือ ใจเท่ากับหมายความเอาตรงกลางที่เท่านั่นแหละสิ่งทั้งปวงหมดถ้าพูดถึงใจแล้วจะต้องหมายเอาตรงใจกลางทั้งนั้นแม้แต่ใจคนของเราซึ่งเป็นนามธรรมก็ต้องชี้เข้าไปที่ท่ามกลางอก แต่ใ จ, ใจแท้ไม่ทราบว่าอยู่ตรงไหนเราเอาความรู้สึกไปไว้ในกายส่วนใดส่วนหนึ่งลองดูสิจะรู้สึกขึ้นในนั้นหรือเอาความรู้สึกนั้นไปไว้ภายนอกกายเป็นต้นว่าเอาไปไว้ที่ต้น เสาหรือฝาผนังบ้านก็จะมีความรู้สึกอยู่ณที่นั้นเป็นน้ำสูบได้ว่าใจแท้คือความรู้สึกเมื่อมีความรู้สึกกลางกลางอยู่ณที่ใดใจก็อยู่ณที่นั้นที่ชาวบ้านเขาพูดกันว่าหัวใจหัวใจนั้น ไม่ใช่ใจแท้เป็นแต่ฮัตไทรวัตถุเครื่องสูบฉีดเลือดให้ไปหล่อเลี้ยงศีวะ ร, ร่างกายเท่านั้นเพื่อให้กายอันนี้อยู่ได้ถ้าไม่มีเครื่องสูบฉีดเลือดไปหล่อเลี้ยงร่างกายแล้วกายอันนี้ก็จะอยู่ไม่ได้ต้องตายสมองก็เหมือนกัน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 นั้นในพระพุทธศาสนาท่านว่ายังเหลืออยู่เกิดใหม่ได้อีกนามธรรมจะดับก็บต่อเมื่อปัญญาไปรู้เหตุรูปผลของนามธรรมนั้นๆแล้วถอนโมเหตุของมันเสียจิตกับใจมีลักษณะต่างกันดังได้อธิบายมานี้ ศาสทั้งหลายซึ่งมีอยู่ในโลกนี้ทั้งหมดสอนกันไม่มีที่สิ้นสุดยิ่งเรียนยิ่งสอนก็ยิ่งกว้างขวางออกไปทุกทีมีพระพุทธศาสนาเท่านั้นที่สอนให้ถึงที่สุดได้พุทธศาสนาสอนเบื้องต้นให้รู้จักกายอันนี้ว่า มีสิ่งต่างๆประกอบกันเข้าจึงเรียกว่าสระร่างกายคืออาการสาเสองนั่นเองและมีหน้าที่อะไรบ้างความกันนั้นก็สอนให้เห็นเป็นของอสุภะเป็นของจริงไปในตัวสอนให้รู้จากโลกอันนี้ คือมนุษย์ที่ประกอบไปด้วยทุกทั้งนั้นผลที่สุดก็ต้องแตกดับไปเป็นธรรมดาของมันฉะนั้นเมื่อเราเกิดขึ้นมาได้ก้อนอันนี้แล้วถึงจะเป็นของไม่กามเต็มไปด้วยสุภาและประกอบไปด้วยทุกนานบประการเขาตาม แต่เราก็ได้มาคนคือโรคอันนี้แตกดับสลายไปเป็นธรรมดาแต่จิตคือเจ้าของโลกนั้นเมื่อมีกิเลสอยู่ตะยังต้องรับมาเกิดอีกฉะนั้นรนะพุทธเจ้าพระองค์จึงทรงสอนให้ฝึกหัดสมาธินั่นเป็นเรื่องของจิตโดยเฉพาะ มีจนะพัศธะรู้แต่อาจตนาภายในในหน้าภายนอกมีมีตาหูจมูกเป็นต้นไม่เกี่ยวเมื่อฝึกหัดรมสมาธิเข้าแล้วจะรู้สึกอยู่แต่ภายในคือจิตผู้เดียวการเห็นการฟังจะไม่เกี่ยวด้วยตาและหู อาชนะภายในจะรู้ด้วยจิตอย่างเดียวในชื่อว่าทำโลกอันนี้ให้แคบเข้ามาอาจะนะทั้งหลายเป็นเครื่องวัดจิตของตนได้อย่างดีที่สุดเมื่ออาชนะมากระทบจิตของเราเราวันไหวหรือไม่ เมื่อวันไหวมากก็แสดงว่ามีสติน้อยมีธรรมเป็นเครื่องอยู่ก็ยังน้อยเมื่อวันไหวน้อยหรือไม่วันไหวเฉยเลยก็แสดงว่าเรามีสติมากมีธรรมะเป็นเครื่องอยู่มากและรักษาตัวได้เหมือนกับพระเทวทัต รพระโพธิสัตว์เน่อมก็เวนก็กรรมแก้กันมาโดยตลอดพระโพธิสัตว์ถ้าไม่มีพระเทวทัตก็จะไม่ได้สร้างบา ร, รมีให้เต็มเปี่ยมเมื่อบา ร, รมีเต็มเปี่ยมแล้วจึงได้ตัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ก่อนจะตัดรุพระองค์ก็ได้ทรงพระจนมานันมีเสียญญานุภาพมาให้มาเมื่อตัดสู่แล้วก็มีลูกสาวพญามาราธิราชทั้งสามนางมาทดสอบอีกที่เป็นอันว่าชาวโลก สรางสาธุการว่าพระพุทธเจ้าทรงชนะกิเลสขาดเด็ดขาดในโลกนี้แต่พระองค์เดียวเมื่ออายตนะภายนายังมีอยู่ม่านงพัฒสระก็ยังเป็นอารมณ์อยู่ฉะนั้นท่านผู้รู้ทั้งหลายไม่เห็นโทษ สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นจึงยอมถอนออกจากสิ่งเหล่านั้นเสียจึงยังคงเหลือแต่ในที่เป็นในที่เป็นกลางๆงคือไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งแล้วโรคอันนี้มันจะมีมาแต่ไหนพระพุทธเจ้าสอน ให้ถึงที่สุดของโลกด้วยประการจะนีแลเรานั่งสมาธิภาวานาต่อท่านอาจารย์เราพากันมาทำสํำรวมจิตกันเถิดจิตนี้พวกเราเคยปล่อยให้มันเสาะแสวงหาสิ่งที่มันชอบใจมานานแล้ว และสิ่งนั้นมันก็เคยได้มาแล้วแต่จิตมันก็ไม่พอสักทีหายอยู่ร่ำไปเมื่อไรมันจะรู้จักจบจักพอกันสักทีคนที่อยู่รอบๆตัวของเรานี่เราก็เห็นตามตาอยู่แล้วเมื่อตายไปก็ไม่เห็น เอาอะไรไปด้วยแม้แต่ร่างกายอันนี้ก็ทอดทิ้งทมพื้นแผ่นดินด้วยกันทั้งนั้นแต่จิตที่หยุดนิ่งไม่แส่สายแสวงหาอะไรทั้งหมดตั้งมั่นอยู่กับพุทโธอันเดียวเรายังไม่เคยได้เลยจงพากัน มาภาวนาพุโทโธพุธโทโธให้จิตมันหยุดนิ่งอยู่อันเดียวลองดูสิบางทีจิตที่อยู่กับพุโทโธพุธโทโธอันเดียวกลับจะได้มากกว่าและของแปลกประหลาดกลัวที่เป็นมาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันออกจาก สิ่งอันหนึ่งท้งนั้นเช่นการนับก็อตั้งตน้นหนึ่งเป็นไปก่อนหนึ่งสองหนก็เป็นสองหนึ่งสามหนก็เป็นสามดังนี้เป็นตน้นหรือต้นหมากรากไม้ทั้งปวงก็ออกจากหนึ่งทางนั้นคือรากของมันคนเรา กอเหมือนกันเมื่อเกิดมาทีแรกก็เกิดจากปฏิสนธิจิตดวงเดียวทแท้ๆเมื่อคลอดออกมาแล้วมีอาญตนะขันห้าและเครื่องใช้หลายอย่างจิตก็อปรงแต่งไปหลายอย่างน้อยอันจนนับไม่ถ้วนไม่ทราบว่า มีกี่ดวงอยู่กันไปยุ่งกันไปหมดจิตเดิมแท้เลยไม่เห็นฉะนั้นะพุทธเจ้าจึงสอนให้ค้นหาจิตคือภาวนาพุทธโธพุทธโธเอาจิตมารวมอยู่ในพุทธโธอันเดียวจึงจะเห็นจิต การค้นหาจิตเราจะต้องทำพนาพุทโธทำให้จิตรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวจึงจะเห็นจิตของตนเมื่อเราค้นหาจิตเห็นจิตแล้วและเห็นว่านี่คือต้นตอของจิต ที่มันสิ่งทั้งปวงมีอยู่ในโลกนี้จิตมากมายหลายอย่างนั้นมันออกไปจากจิตอันเดียวนี้สัพกิเลสทั้งปวงเมื่อจิตอยู่นิ่งกับพุโธอันเดียวกิเลสทั้งปวงก็ไม่มี แล้วจงใช้สติประคองจิตอันนี้ให้นิ่งอยู่กับพุทโธอันเดียวเสียก่อนอย่าให้สศงสายไปบ่าทุกิรอยาบุตทั้งสี่ให้ชำนิชำนานคล่องแคล่วจนเราจะให้อยู่ก็ได้หรือ เราจะให้คิดค้นพิจารณาในธรรมต่างๆก็ได้หรือคิดค้นธรรมต่างๆแล้วจะให้มานิ่งใจก็ได้เมื่อเข้าถึงใจแล้วพุโทโธไม่ต้องปริกรรมก็ได้จิตกับใจมันต่างกันจิตคือผู้คิดผูดสงสยัยผู้พุงพูดแต่ง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 กิเลสทั้งปวงก็จะไม่มารบกวนอีกต่อไป